ก่อนจะผ่านเข้าสู่เนื้อหาของมัคจะขอให้พิจารณาแนวการก้าวจากสภาวะธรรมออกสู่ปฏิปทาหรือการก้าวออกจากกระบวนการของธรรมชาติสู่วิธีปฏิบัติของมนุษย์ที่อาจแสดงในรูปอื่นๆได้อีกไว้เป็นความรู้ประกอบอีกสักเล็กน้อยมีพุทธพจน์แสดงปฏิปทาไว้สองอย่างคือ 1. มิจฉาปฏิปทา ข้อปฏิบัติที่ผิดหรือทางผิดคือทางให้เกิดทุกข์ 2. สัมมาปฏิปทาข้อปฏิบัติที่ถูกหรือทางถูกคือทางให้ดับทุกข์บางแห่งทรงจัดปฏิจสมุบาสมุทยาวาระเป็นมิจฉาปฏิปทาและปฏิจสมุบานิโรทวาระเป็นสัมมาปฏิปทา เขียนให้ดูง่ายได้ดังนี้มิจฉาปฏิปทาอาวิชชาเป็นปัจจัยแก่สังขารและโดยในยะเดียวกันเป็นปัจจัยแก่กันตามลำดับนะครับอวิชชาสังขารวิญญาณนามรูปละาจนถึงชาติชรามรณะโศกะจนถึงอุปาญาต เท่ากับเกิดทุกสัมาปฏิปทาอาวิชชาดับสังขารดับวิญญาณดับจนถึงชาติดับชรามรณาดับโศกะจนถึงอุปายาดดับเท่ากับดับทุกแต่อีกแห่งหนึ่งทรงแสดงข้อปฏิบัติที่ตรงข้ามกับมัคว่าเป็นมิจฉาปฏิปทาและแสดงมัค ว่าเป็นสัมมาปฏิปทาดังนี้มิจฉาปฏิปทามิจฉาทิฐิบวกมิจฉาสังกัปปะบวกมิจฉาวาจาบวกมิจฉากรรมันตะบวกมิจฉาอาชีวะบวกมิจฉาวายามะบวกมิจฉาสติบวกมิจฉาสมาธิสัมมาปฏิปทา ในที่นี้คือสัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาสมาธินะครับปฏิจจสมุปบาทเป็นกระบวนการของธรรมชาติแสดงแต่สภาวะธรรมไม่ใช่ปฏิปทาแต่ปฏิปทาถูกผิดชุดแรกในที่นี้กลับแสดงตามแนวปฏิจจสมุปบาทจะขัดกันหรือไม่คำตอบน่าจะมีว่าปฏิจจสมุปบาทที่ยกมาแสดงในกรณีนี้ ที่แสดงเป็นปฏิปทาอย่างนี้มีแห่งเดียวนี้เท่านั้นมุ่งให้เหล่งหรือสอบไปถึงการปฏิบัติของคนอธถกถาที่อธิบายพระสูตรนี้ตั้งข้อสงสัยว่าอาวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดความคิดทำดีเป็นบุญคือปุญญาพิสังขารก็ได้ให้เกิดแรงชักจูงภาวะจิตแน่วแน่มั่นคงอย่างสูงคืออเนญชาพิสังขารก็ได้ เหตุใ ด, ดจึงว่าเป็นมิจฉาปฏิปทาแล้วท่านก็เฉลยเองว่าคนที่ปรารถนาพบคิดมุ่งจะเอาจะเป็นไม่ว่าจะทำอะไรแม้แต่จะทำอภิญญาห้าหรือสมาบัตแปให้เกิดขึ้นก็เป็นมิจฉาปฏิปทาส่วนคนที่มุ่งนิพพานคิดสละคลายออกใจโปร่งเป็นอิสระไม่คิดจะเอาจะเป็นแม้แต่ให้ทานอะไรไปสักนิดหน่อย ก็เป็นสัมมาปฏิปทาอย่างไรก็ตามการนำเอามิจฉาปฏิปทาและสัมมาปฏิปทาสองคู่ข้างต้นนี้มาวางเทียบกันไว้มีความประสงค์เพียงให้เป็นเครื่องประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับการก้าวจากกระบวนการของธรรมชาติในนิโรธออกมาสู่การปฏิบัติของมนุษย์ในมรดดังเด็กเล่าแล้วข้างตน้น แต่คราวนี้มีข้อสังเกตเพิ่มขึ้นอีกหน่อยหนึ่งว่านอกจากแสดงกระบวนธรรมะของการปฏิบัติฝ่ายดีแล้วท่านยังได้แสดงกระบวนธรรมะและการปฏิบัติฝ่ายร้ายหรือฝ่ายผิดไว้ด้วยยังมีพุทธพจน์แสดงปฏิจจสมุปบาทในรูป ก, กระบวนการดับทุกข์อีกแบบหนึ่งซึ่งแปลกไปจากแบบที่กล่าวมาแล้วข้างตน้นคือท่อนต้นแสดงกระบวนการเกิดทุกข์ ตามหลักปฏิจจสมุปบาทสมุทัยวาระอย่างปกติมาโดยตลอดจนถึงทุกข์เกิดขึ้นแล้วแต่ต่อจากนั้นแทนที่จะแสดงกระบวนการดับทุกขตามหลักปฏิจจสมุปบาทนิโรธวาระต่อไปกลับแสดงกระบวนการแห่งกุศลธรรมต่างๆที่ส่งผลต่อเนื่องกันไปตามลำดับจนถึงความหลุดพ้นเป็นกระบวนธรรมะแบบใหม่ล้วน ไม่กล่าวถึงการดับองค์ธรรมต่างๆในปฏิจจสมุปบาทฝ่ายสมุทัยาวาระแต่อย่างใดเลยกระบวนธรรมะแบบนี้อาจถือได้ว่าเป็นตัวอย่างสำคัญของการนำเอาองค์มร์ไปจัดใช้ในระบบการปฏิบัติที่แท้จริงหรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นกระบวนธรรมะที่เกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ปฏิบัติตามมร์อย่างได้ผลจนบรรลุ ค, ความสาเร็จ กระบวนธรรมะแห่งความหลุดพ้นแบบนี้ท่านแสดงไว้หลายแห่งมีรายละเอียดต่างกันไปบ้างเล็กน้อยขอยกมาให้ดูทีละอย่างดังนี้ในที่นี้ท่านเขียนแต่ละคำมีลูกศรชี้ไปหากันนะครับซึ่งก็น่าจะหมายถึงเป็นปัจจัยแก่กันตามลำดับดังนี้อวิชชาสังขารวิญญาณ น, นามรูป สลายตนะผัสสะเวทนาตันหาอุปาทานพบชาติทุกศรัทธาปราโมดปีติปัสสิสุขสมาธิยถาภูตยานทนะัทสนนิพิทาวิราคะวิมุติขยญาณ สับยาที่ควรอธิบายคือปัสสธิความสงบเย็ยนเรื่อนสบายกายใจความผ่อนคลายยถาภูตยานัศสนะการรู้เห็นตามที่มันเป็นนิพิทาความนายวิราคะความคลายหายติดปลิดตัวออกได้วิมุตติความหลุดพ้นขยะยาน ความอย่างรู้ว่าสิ้นอาสวะกิเลสคือบรรลุอรหัตผลพึงสังเกตว่ากระบวนการนี้เริ่มแต่อวิชชาจนถึงทุกข์ก็คือปฏิจจสมุปบาทสมุทัยาวาระที่เป็นกระบวนการเกิดทุกข์ตามปกตินั่นเองทุกข์ในที่นี้แทนคำว่าเจรามรณะโซกะจนถึงอุปายาททั้งหมดแต่เมื่อถึงทุกข์แล้ว แทนที่วงจรจะบรรจบเพื่อเริ่มต้นที่อวิชชาอีกตามปกติกลับดําเนินต่อไปโดยมีศัทธามารับช่วงแทนอวิชชาจากนั้นกระบวนการก็ดําเนินต่อไปในทางดีจนถึงจุดหมายคือขยายากันในที่สุดและไม่กลับมาบรรจบเริ่มต้นที่อวิชชาอีกเลยข้อน่าสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อนับทุกข์เป็นจุดศูนย์กลาง จำนวนหัวข้ อ, อนับย้อนไปข้างหน้าและต่อไปข้างหลังจะมีจำนวนเท่ากันสำหรับผู้เข้าใจเรื่องอวิชชาดีแล้วอ่านดูกระบวนการนี้ก็จะไม่แปลกใจอะไรเพราะถ้าตัดตอนออกกระบวนการนี้ก็มีสองตอนคืออวิชชาถึงทุกตอนหนึ่งกับศรัทธาถึงขย้ายานอีกตอนหนึ่งในตอนช่วงหลัง ศรัทธามาเป็นจุดเริ่มต้นแทนอวิชชาผู้ศึกษาปฏิจจสมุปบาทในบทก่อนแล้วยอมเข้าใจความหมายว่าศรัทธาในที่นี้พูดง่ายๆก็คืออวิชชาที่ถูกเบียดเบียนหรือบันทอนนั่นเองกล่าวคือขณะนี้ไม่เป็นอวิชชาที่มืดบอดต่อไปแล้วแต่มีเชื้อแห่งความรู้ความเข้าใจเข้ามาแทนที่ และทำหน้าที่เป็นสื่อชักจูงใจให้เกิดการมุ่งหน้าไปสู่จุดหมายที่ดีจนเกิดความรู้จริงและหลุดพ้นในที่สุดถ้าจะอธิบายง่ายๆก็ว่าเมื่อกระบวนการเกิดทุกขดำเนินมาตามปกติจากอาวิชชาถึงทุกแล้วรันเกิดทุกก็คิดหาทางออกในกรณีนี้เกิดได้รับคำแนะนำสั่งสอนที่ถูกต้อง หรือเกิดความสำนึกในเหตุผลขึ้นมาจึงรู้สึกมีความเชื่อมั่นในคุณธรรมความดีงามต่างๆเกิดเป็นศรัทธาขึ้นมาแล้วเกิดปราโมดสดชื่นเอิบอิ่มใจชักนำให้มุ่งมั่นก้าวหน้าในคุณความดีต่อไปตามลำดับจนถึงที่สุดความจริงกระบวนการท่อนหลังนี้ก็ตรงกับปฏิจจสมุปบาทนิโรธวาระแบบอวิชาดับสังขารดับ อย่างข้างต้นนั่นเองแต่ในที่นี้แสดงให้เห็นรายละเอียดที่เป็นข้อเด่นในกระบวนการชัดเจนขึ้นและมุงให้เห็นการเชื่อมต่อระหว่างกระบวนการเกิดทุกข์กับกระบวนการดับทุกข์ว่าเกี่ยวเนื่องกันได้อย่างไรในเนติปกรณ์อ้างพุทธพจน์ต่อไปนี้ว่าเป็นปฏิจสมุบาทฝ่ายโลกุตระเป็นแนวดับทุกข์คือ ดูก่อนอานน์โดยในยานี้แลศีษฐที่เป็นกุศลมีความไม่วิปฏิสารคือไม่เดือดร้อนใจเป็นอัตถะคือที่หมายหรือผลเป็นอานิสงส์ความไม่วิปฏิสารมีปราโมทเป็นอัตถะเป็นอนิสงส์ปราโมทมีปีติเป็นอัตถะเป็นอานิสงส์ปีติมีปัสสธิเป็นอัตถะเป็นอนิสงส์ ปั ส, สัทธิมีสุขเป็นอัฏถะเป็นอนิสงส์สุขมีสมาธิเป็นอัฏถะเป็นอนิสงส์สมาธิมียถาภูตยาทัทสนะเป็นอัฏฐะเป็นอนิสงส์ยถาปูตยานัทสนะมีนิพพิธาเป็นอัฏถะเป็นอนิสงส์นิพพิธามีวิราคาเป็นอัฏถะเป็นอนิสงส์วิราคะ มีวิมุตติญาณทัศนะเป็นอัฏถะเป็นอานิสงส์ศีลที่เป็นกุศลย่อมทาธรรมะข้ออื่นๆให้บริบูรณ์เพื่ออรหัตผลตามลำดับโดยในยะนี้แหลตามในยะพุทธพจน์นี้เขียนให้ดูง่ายได้ดังนี้ในที่นี้คือแต่ละคำเป็นปัจจัยกันตามลำดับนะครับโยนิโสมนัสิการ กุศลศีลอวิปปติสารราโมดปิติปัสสธิสุขสมาธิยถาภูตญาณทัศนะนิพิทาวิราคะวิมุตติญาณทัศนะ์จะเห็นว่ากระบวนธรรมะนี้ก็เป็นอย่างเดียวกับกระบวนธรรมะที่กล่าวมาแล้วนั่นเองเป็นแต่กล่าวเฉพาะช่วงกระบวนการดับทุกข์อย่างเดียว ไม่ได้กล่าวถึงช่วงเกิดทุกข์ไว้ด้วยขอให้ดูกระบวนธรรมะแนวก่อนอีกครั้งหนึ่งในที่นี้คือตั้งแต่อวิชชาจนถึงทุกข์และจากทุกข์เป็นศรัทธาจนถึงขยญายานกระบวนธรรมะทั้งสองนี้แม้จะเหมือนกันแต่ก็ไม่ตรงกันทุกตัวอักษรคือกระบวนหนึ่งเริ่มด้วยศรัทธาอีกระบวนหนึง เริ่มด้วยกูสนศีลต่อด้วยอวิปปฏิสารจากนั้นตั้งแต่ปรามวดไปถึงตรงกันความจริงเป็นความต่างตามตัวอักษรและการเน้นเท่านั้นแต่ความหมายลงกันได้กระบวนหนึ่งยกเอากรณีที่ศรัทธาเป็นตัวเด่นแต่ในเวลาที่มีศรัทธานั้นก็คือจิตใจเชื่อมั่นในเหตุผล เริ่มใส่ในสิ่งที่ดีงามมั่นใจในคุณธรรมภาวะจิตนี้สัมพันธ์กับความประพฤติในเวลานั้นด้วยศรัทธามีความประพฤติดีงามรองรับอยู่เช่นนี้จึงนำไปสู่ปราโมทย์ต่อไปส่วนอีกกระบวนกหนึ่งที่เริ่มด้วยกุศลศีลและอวิปปิสารก็เช่นกันกระบวนนี้ยกการประพฤติปฏิบัติเป็นตัวเด่น ในกรณีนี้จิตใจก็มีศรัทธาเชื่อมั่นในเหตุผลในคุณความดีเป็นพื้นอยู่จึงประพฤติความดีอยู่ได้และเมื่อมีศีลและมีอวิปฏิสารไม่เดือดร้อนใจก็คือเกิดความเชื่อมั่นในตนเองมั่นใจในความดีที่ประพฤติอันเป็นลักษณะของศรัทธาที่ทำให้จิตใจเชื่อมั่นพองใสจากนี้จึงเป็นปัจจัยให้เกิดปราโมทย์ต่อไป งกับกระบวนกอนตอนจบกระบวนธรรมะหนึ่งลงท้ายด้วยวิมุตติและขยายานอีกกระบวนหนึ่งลงด้วยวิมุตติญานนณทัศนะก็คืออันเดียวกันเป็นแต่กระบวนหลังกล่าวรวมวิมุตติและขยายยานเข้าไว้ในความหมายของหัวข้อเดียว กระบวนรธรรมะแห่งความหลุดพ้นอีกแบบหนึ่งคล้ายกับแบบที่เริ่มต้นด้วยศรัทธาแต่เปลี่ยนศรัทธาเป็นโยนิโสมนานสิการดังนี้โยนิโสมนานสิการปราโมชปีติปัสสถิสุขสมาธิยะถาภูตยาณนะัทสนนิพพิทาวิราคะวิมุตติกระบวนธรรมะนี้ ไม่มีอะไรแปลกออกไปนอกจากเริ่มต้นด้วยการรู้จักคิดรู้จักพิจารณาใช้ปัญญาหาเหตุผลด้วยตนเองแทนที่จะเริ่มด้วยความเชื่อซึ่งเป็นการฝากปัญญาไว้กับผู้อื่นหรือสิ่งอื่นเมื่อคิดพิจารณาถูกวิธีเกิดความรู้ความเข้าใจตามเป็นจริงแล้วจิตใจก็แช่มชื่นเกิดปราโมทย์ต่อจากนั้นองค์ธรรมต่างๆที่มารับช่วงส่งต่อกันไป ก็เหมือนกันกับในกระบวนกรธรรมะก่อนๆ ก, กระบวนรธรรมะแบบนี้ชี้แนะให้เห็นแนวทางการปฏิบัติชัดเจนยิ่งขึ้นช่วยให้เข้าใจในสิ่งที่จะต้องทำกระจ่างขึ้นแต่กระนั้นก็ยังไม่เป็นระบบที่มีรายละเอียดในทางปฏิบัติมากเพียงพอยังคงมีปัญหาอยู่ว่าการที่จะให้กระบวนรธรรมะนี้เกิดขึ้นได้จะต้องทาอะไรอย่างไรบ้าง